เช้านเานนเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคมพุทธศักรา2556เราก็มาทำวัดเจ้ากันเหมือนกันทุกวันวันคืนล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทำอะไรกันอยู่ เราก็มาพิจารณาดูทีงเรามีกายมีใจเราใช้ชีวิตดำรงชีวิตองคสมดจสมมางเจ้าชีว้ว่าให้ใช้กายใช้ใจเป็นพ่วงแพรภายทอไปสู่ความสู่ฝังความไม่ทุกข์ ฝั่งพันิพานเย็นปกติเอาเนี่ยเราก็จึงมาศึกษากันใครเดินทางถึงไหนก็รู้ตัวเองเอาทุกอย่างไรไม่ทุกอย่างไรเรียนผ่านเดินผ่านผ่านอาการของกายของใจรู้จักตัวเองมากขึ้นตัวตน มันอ่านตัวเองได้อ่านตัวเองออกอ่านไกลอ่านใจจนมันอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขก็อยู่ตัวเองมีความสุขไม่ใช่เรียกว่าเห็นแก่ตัวตหมายถึงว่าทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ให้กับตนรู้จักรักตัวเองสงสารตัวเอง เวลาไปาทำาจะสงสารตัวเองจะรู้จักใช้กายใช้ใจรักกลรักใจถ้าไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวตเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวนี่มีความทุกข์อยู่คนเดียวยังสงสัยอยู่สงสัยเรื่องชีวิตอย่างที่มาเบดิดเบดก็อยู่นี่ก็มีทุกรูปแบบ6หักหลักรอยคอยงานสงคารเสื่อม เริ่มใส่ใบวชตามประเพณีบวชจะเบียดบวชแก้บนแก้บนก็มีเ ร, เร็วนี้มีพระจึกไปหรื อ, อยังไม่ล่ะบวชได้เหตุที่ว่าลูกไปจมน้ำอยู่ที่ทางภาคใต้ไปเที่ยวกันพอไปทานอาหารลูก จมน้ำเล่นอยู่ในสระคนเดียวเล่นสระผู้ใหญ่ก็จมน้ำประมาณ10บกวนาทีพ่อช่วยขึ้นไหมแล้วก็พอจะช่วยกันได้หมอต่างประเทศมาช่วยโดยวย2คนแล้วก็ส่งมาโรงพยาบาลจุลาแบบแช่น้ำแข็งมาก็เรียกว่าล็อกสมองนะ บล็อกสมองเอาไว้เรียกว่านอกสมองนอกบล็อกน็อกล็อกสมองอไว้ไม่ให้ทำงานเลยแช่น้ำแข็งแล้วฉีดมอร์ฟีนมาเหมือนแช่ปลามาแต่แช่ปลาชุบ ด, ด้วยฟอร์มาลินแต่เด็กคนนี้ต้องอัดด้วยมอร์ฟีนมาแล้วเลี้ยงหัวใจส่งบันจุลาเป็นรายแรกของประเทศไทยแล้วก็ปลุกเมื่อ สมองได้พัก7จ็สิบสองชั่วโมงก็ปลุกครั้งที่หนึ่งปลุกครั้งที่สองจนฟื้นขึ้นมาพ่อไม่รู้จะไปทิศทางไหนก็บนเอาไว้ถ้าลูกฟื้นขึ้นมาก็จะมาบวดให้7วันบนกระพาศ์สาลีหลิขิตาธิ์เราก็ได้เห็ุหนึ่งนั่นเลื่อนเนี่ยแม่แม่ชีมารายฟังว่าเออคนกระทัก ว่าจะซวยให้บวชแก่บนซะจึงจบทักเรายังฟังเลยเนี่คนบรรทักก็เลยเข้ามาวัดมาวากันแก่บนบนถ้าเติมสลาเป็นบานถ้าเติมไม่โทเป็นบ้า น, ถ, า น, านถ้าตัดนอนหนูออกก็เรียกว่าบ้ามันจะอยู่ได้ปัญญายังไงเอาประโยชน์ยังไง อันนี้เราก็มาศึกษาที่ตัวเรามาวัดป่าสกุตัวแล้วก็ฝึกกันแนวหลวงปู่เทียนมีหลวงพ่อเขียนเป็นประธานสงกรชี้สภาวะของผู้ดูเคยดูไปนอกตัวทางตาหูจมลิ้นกายใจตอนนี้กลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็สรุปง่ายๆไว้เห็นเป็นอาการความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอาการ ดูกายจะเป็นกายจะเป็น ญ, ญาณเอากายจะเป็น ญ, ญาณมาดูมโนวิญญาณมันเคยอยู่เป็นกุรอตางกายอยู่ทางใจอยู่ทางนึงกายนั่งอยู่ที่วัดนะใจอยู่ไหนไม่รู้บางทีทำวัดสวดมนเรากําลังทําวัดสวดมน์ตาก็ดูหรือว่าสมองมันจําได้กัมีภาษาในสมองแลนออกมา บางทีก็มีภาษาที่เราทรงจำมาไว้สอดคล้องกับผู้นำปฏิบัติที่พาสวดกันไปด้วยกันแต่บางทีก็มีความคิดอื่นๆหรือว่าอารมณ์อื่นๆมาทาตงตาหูอยองลิ้นใส่แทรกเข้ามาเราคิดปรุงแต่งไปมันไม่ใช่เรื่องที่เรากําลังทำอ่ะอันนั้นเป็นความคิดที่พาหลงอยู่ตลอด คิดเราออกนอกการงานที่เรากำลังทํากันหรือว่างานกรรมฐานเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวฝึกให้มีความรู้สึกตัวทั่วสรารว์พังกายรู้ตัวทั่วร้อมรู้ตวหัวจรตเท้าตัวพร้อ ม, จ า, าอมจากอยาไปหาละเอียดจากที่เราสร้างผลิตเป็นเองขึ้นมานีจนสติมองไวรู้ได้คม รู้ถูกเวลามีความคิดขึ้นมามันก็ไม่หลงเพลอเข้าไปนะะก็คือหัวใจของการปฏิบัติเห็นกายกันไหวเห็นใจเวลามันคิดมันนึกหลวงพูทเทียนก็ชี้ตรงนี้เราก็ศึกษาดูครูบาอาจารย์พูดตรงไหนที่มันเป็นประโยคที่มันรัดสั้นๆเราสรุปจับประเด็นมาทำให้มันง่ายๆ เมื่อเราทำมันก็ง่ายจริงๆอ่ะเคลื่อนไหวรู้สึกเื่อนไหวรู้สึกเวลามันรู้แล้วมันง่ายแต่เวลาไม่รู้แล้วมันยากเหมือนกับสอบได้กับสอบตกนะสอบได้แล้วเงมนก็ง่ายเข้าทํางานแล้วได้แล้วเงก็ง่ายแต่ลําสอบไม่ได้มันก็ยากความรู้สึกตัวก็เป็นไงเมันรู้แล้วมันก็ง่ายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเื่อนไหวรู้สึกตัวนะเจตนากําหนด ต้องมีเจตนาหนามยอ่อหนามบง่งทาไมเจตนากรรําหนดที่แรกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเจตนาคิดดีพูดดีรำดีเจตนาคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแบบนี้มันเจตนาทำกรรมฐานไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วรู้เฉยๆรู้ธรรมดาธรรมดานี่แหละรู้ตามความเป็นจริงมันเคลื่อนก็รู้อยู่มันหยุดก็รู้อยู่กระทบสัมผัสก็รู้อยู่ มันรู้มันไม่อยู่มันรู้แล้วมก็พัฒนาเป็นการดูดูแลเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริงไปเพราะจริงๆมันง่ายถ้าสัมผสัสรู้ยิ่งงๆายแต่ปับรู้ปุ๊บแต่ปับรู้ปุ๊บง่ายแต่ถ้าคิดรู้นี่ยากตรงนี้แหละถ้ามันไม่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆมันก็รู้แบบไม่เฉยแล้ะ รู้แบบไปคิดมากหาเหตุหาผลคิดรู้ไปอันนั้นเฉยไม่ได้รู้แล้วเป็นสุขรู้แล้วเป็นทุกข์นะรู้เฉยเฉยรูปแบบธรรมชาติเอ่อธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเป็นปกติไปรู้เฉยเฉยเมื่อเราเจตนากำหนดเจตนากำหนดเกินไหวรู้สึกไม่เกิดกำหนัดกำหนดกับกำหนดัด ไม่ได้เรียนภาษานะแต่ว่าเห็นหนึ่งเนี้ยเวลาเรากําหนดกํากับมีกรอบมีขอบมีเขตมันก็อยู่ในแดนของกรรมฐานแต่ถ้าเราไม่กําหนดมันก็มีกำหนัดตาดูเกิดกําหนัดหูฟังเกิดกําหนัดสัมผัสเย็นร้อนนุ่มนวลก็กำหนัดรสชาติก็กำหนัดแทนที่จะเป็นลามากะเป็นลามกมันมาอย่างนั้นเลย เราก็จึงกลับมาเกินไหวรู้สึกมันเป็นกุศโลบายกุศโลบายอุบายที่เป็นกุศลเป็นความฉลาดของคนโบราณเป็นภูมิปัญญาที่คนก็รู้แล้วก็บอกต่อต่ อ, ต, อต่อกันมาแล้วก็ไม่ได้เชื่อนะแต่ว่าเห็นว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีเคยทุกเคยได้ด่งใจไม่ได้ด่งใจ แล้วเราแก้ทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆมากมายเก็บกดทําอะไรไม่ได้ก็เก็บกดเนีเรื่องที่กบเกลื่อนไปวันๆหนึทุกที่บ้านก็ไปเดินห้างทุกที่บ้านก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนีมันกบเกลื่อนไปหาความสุขต่างๆเที่ยวแต่เล่ลนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวเป็นนกฮูกเอากลางคืน มาตื่นกลางวันก็ น, นอนหลับเป็นนกฮูกาท้ายสุดสุขภาพก็สุดโทรมเสือ่อมโทรมบางทีก็มีวิธีการกบเกลือนอยู่มากมายแล้วกันดูหนังฟังเพลงบางทีก็กล่อมตัวเองไปว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้ น, น ون, คิดกล่อมไป ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าทางจะดีถ้าได้อย่างนี้ถ้าทางจะมีความสุขสักวันหนึ่งเธอะเราก็จะสบายแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะไม่เอาเดี๋ยวนี้เราก็จึงมาเรียนรู้ตรงนี้กันเพื่อให้เห็นโลกเห็นจริงๆเห็นแล้วก็มีความเป็นกลางเกี่ยวข้องถูกต้องมีความกลมเกลืนเป็นกลางก็กลมเกลืนไป ก็รูบรสกินเสียงปูทะพา ธ, ธรรมารมพวกนี้กลมเกลืน่นอยู่กับธรรมชาติแบบเป็นธรมธรมดาธรรมดาก็รู้ความรู้สึกตัวเนี่ยแหละสติทะลุรู้ความรู้สึกตัวที่ฝึกในที่เจตนามันก็ไม่ต้องเจตนาต่อไปถ้ามันมีมันเป็นมืนกัหาตังหางเงินหาทองใหม่ๆแล้วก็หาไนงะหาก่อนหาต้องมีอาชีพก่อนมีอาชีพก็ต้องร่ำเรียนฝึกหัด จนมีทักษะมีความชำนาญสูงทำงานแล้วม่ที่ยอมรับผลก็คืให้ค่าจ้างรางวัลให้ค่าสินไหมให้ค่าสรพัดนั่นนะที่เราก็อ่อนนี่คือกำไรของชีวิตเราจะได้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ต่อไปมาทำงานจนกรตทังเป็นมหาเศรษฐีมีสตังค์มากๆก็ไม่ต้องทำงาน เก็บรักษาให้เป็นก็เกิดดอกเกิดผลขึ้นมานะเก็บไปถูกที่ถูกทางมันรักษาระมัดระวังใช้ใจงานไม่ต้องทำนะแต่ว่าเงินมันออกดอกด้วยตัวมันเองฉันใดก็ดีก็ฝึกสติก็เป็นอย่างนั้นฝึกจนเป็นมหาสตินะรู้ตัวตัวพอมตาดูก็รู้สึกตัวหูฟังก็รู้สึกตัวมีสติดูกายนะ ดูรูปธรรมจนเป็นอาการมากมายรู้ครบเลยเห็นหมดทุกวันซ้ำๆจนอ๋อมันก็แค่นี้แหละเรเห็นจิตใจของเราที่มันมีอาการต่างๆมากมายเหมือนกันเลยว่าความคิดเนี่ยแะจิตจิตจิตจิตจิจิตจิจิตนมจิตว่าไหวผู้ไหวแล้วก็ไปไกลเหลือเกินบางีก็ไปอดีตไปอนาคตไปพบชาติไหนก็ไม่รู้ พบก็นหมถึงว่ามันมันสัมผัสนะแต่มันเป็นการสัมผัสที่บางทีมันก็หลงกาไปอยู่ในการปรุงกันแต่งนะคิดโลภคิดโลกรูคิดหลงคิดลาคิดจังโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตมิตุจริตสรารพัดมันก็ไปอยู่ในพวกโภมเป็นโภมไปเลยกันนี่อยู่ตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นนะะเขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบะชอบอยังไงก็ไปอย่างนั้นขี่เราไปหากี่เรล่า กี่ยาไปหากี่ยาพวกนักบุญไปหาพวกทาบุญพวกอนุรักษ์ธรรมชาติไปอนุรักษ์ธรรมชาติชอบทะเลไปทะเลชอบต้นไม้ไปต้นไม้ชอบแม่น้ําไปแม่น้ำมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไปที่ชอบที่ชอบชอบดูชอบกินชอบฟังชอบดมชอบสัมผัสชอบปรุงปรุงแต่งแต่งไปมันก็ไปที่ชอบที่ชอบแต่ของเรามันก็ ไปลักษณะของการเห็นชอบนะเดินทางมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวดต่ว่านะฐานกายในสํำคัญนะวัตถุรูปธรรมตัวนี้สำคัญนะถ้าเราฝึกจริงมันมีที่อยู่จริงๆนะจิตปกติที่เกิดจากการเคลื่อนการไหวจะไม่ต้องเจตนานะเรื่องความรู้ตัวทั่วสระ่างกายตัวนะี้ตัว น, นี้แหละมันได้ที่พึ่งนะใหม่ๆแล้วก็พึ่งรูปแบบหน ต, ต่อไปต่อไปไม่ต้อง ชอเปรียบเทียบว่าเวลาก็าลอคอนกนะรีตหล่อเสาหล่ออะไรใช้แบบก่อนจะแบบสี่เหลี่ยมแบบกลมหรือแบบไหนก็ตามจะเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ใช้แบบแล้วบอกนั่นะการนี้พอมันแข็งแรงดีแล้วมันเย็นดนะีมันเย็นแล้วมันแข็งแรงมันรับแรงไดนะ้ก็ถอดแบบออกซะมันก็เหลือแต่ตัวเสาที่เป็นเสารจริงๆที่ทําหน้าทีนะ่การฝึกจิตก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราทําในรูปแบบเคลื่อนไหวเดินจงกวมจนกระทั้งมันทําเป็นเลยจิตมันปกตินะมันเป็นมันตั้งมั่นมันมีสมาธิแล้วมันก็เกิดปัญญามันรู้แจ้งแทงทะลุพวกนี้มันก็พึ่งได้อย่างจริงมันทําหน้าที่ด้วยกฎของธรรมชาติมันมีธรรมชาติของสติสมาธิปัญญาธรรมะนะมีธรรมะมันก็เป็นกลไกที่ทําหน้าที่โดยไม่ต้องร้องขอมันพ่อกับลูกแม่กับลูกมันไม่ต้องร้องขอกันรู้ เห็นการกิริยาดูตารู้ใจมันรู้มันคืออะไรมันผ่านประสบการณ์มากันแล้วไม่ต้องร้องขอว่าหิวนะหาหารให้กินมันก็หามาเองหรอกมันเป็นคุณธรรมที่มันมีอยู่มันเหมาะกับการงานเหมาะกับการทําหน้าที่อันนี้ไม่ต้องร้องขอฉันใดก็ดีสติสมาธิปัญญาก็เป็นหนึเหมือนมันมีแล้วเงี้ยเหมันสตางมันมีแล้วก็มีคุณค่าในตัวของมันมีกําลังมีอิทธิพลมีอำนาจ แล้วก็ฝึกสติเพื่อให้เกิดอํานาจของศีลของธรรมขึ้นมาจะได้คุ้มครองอย่างในโลกใบนี้ต้องมีศีลมีธรรมถึงจะผ่านได้ข า, ขาดศีลกาดธรรมก็อยู่ยากมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนต้องคอยสะดุง้งหวาดผวาเสียวสันหลังต้องคอยระแวงต้องคอยสารพัดนะนะไม่เป็นสุขเลยละมาอยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้เราก็มาฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวความเป็นปกตินะ มันเกิดความเป็นปกติตรงเนี้มันจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะตี๋เคยอยู่ร้อนนอนทุกข์ตอนนี้นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ตรงไหนก็ไดะ้ไม่เดือดไม่ร้อนใจอะไรตรงนี้ลาเป็นอ น, นิสงส์ขอ ง, งการฝึกมหาสติไม่จะเห็นอาการที่เกิดกับกายของเราไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์กที่เรียกวเวทนาของกายหรือว่าเวทนาที่มันเกิดในจิต ใ, ในใจเป็นอาการนะ ที่ก็สุขที่ก็ทุกข์ที่ก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆรู้อยู่เป็นความรู้สึกตัวเห็นอาการณ์ของจิตนะเวลามันว่าไหคิดไปนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวเป็นอาการต่างๆเป็นความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆธรรมชาติที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมารลมที่กายที่ใจของเราเราก็เห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมตรงนี้แหละมันจะสนุกในการเดินทางนะ ในการปฏิบัติทำใหม่ๆแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติก่อนนั่งตัวตรงแล้วก็สิบสี่จังหวะพลิกมือรู้สึกตัวฝึกหัดมันก่อนต่อไปมันขยับก็เยอนเคลื่อนไปเลยน้อยมันก็รู้สึกตัวหายใจก็รู้สึกตัวกระพริบตาก็รู้สึกตัวลมมากระทบก็รู้สึกตัวเวลาเรานั่งอยู่ก้นกระทบสัมผัสก็รู้สึกตัวมันก็จะมีความรู้สึกมากมายเหลือเกินรูปลบกลิ่นเสียงมากระทบก็รู้สึกตัวรู้คิด นะความคิดในตัวละเอียดตรงนี้นี่ไม่เคยฝึกก็ไม่เคยเห็นนะนบางทีเห็นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่พอเราฝึกนะใส่รูปแบบลงไปมันก็ดูแบบเป็นลําดับขั้นตอนของมันนะทีละขั้นทีละตอนทีละชั้นเหนะมือนไต่บันไดขึ้นไปนะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้ น, เ ป, น, น, เ, ป น, นเป็นตอนจากต่ําไปสู่สนะูงจากหยาบไปหาความละเอียด เราจะได้สัมผัสสภาพธรรมต่างๆธรรมชาติในกายในใจของเราตรงนี้แหละเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปคุณธรรมต่างๆหรือว่าอาการต่างๆมันเป็นธรรมชาติที่มีปัญญาหยิบ ม, มาใช้ในี่ดีทั้งหมดเลยความงงก็ดีความเจ็บความปวดก็ดีความคิดก็ดีความเบื่อก็ดีความกลัวก็ดีดีหมดนั่นแหละมันทำให้เราได้เหยียบขึ้นสูง ถ้าไม่มีอาการเหล่านี้เราจะไม่รู้เลยนะมันเป็นธรรมชาติที่ดีเช่นปฏิบัติไปเนี่ยมันปวดเมื่อย โ, โปรมานะี่ดีดีเรื่องความง่วงเวลาเกิดขึ้นมาน่โอ้ดีมากผู้ใหมนะ่จะเจอเลยความเบื่อความเซ็งมันดียังไงอยกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอเล็กซานเดอร์แฟมิงได้คนพบยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกก็คือเพนะิซินเน ค้นพบโดยตั้งสมิฐานจุลินรีทีนี้จุลินรีตายไปก็ไม่ได้โกนกะว้หรือว่ามีความรู้สึกผิดหวังในการทำงานหรือว่ามีความรู้สึกที่ทำให้คนรอบๆข้างต้องคอยทุกข์ไปด้วย พลำบลหรือว่าดูดาผู้ที่ร่วมทำห้องแล็บด้วยกันแต่กลับเอาประโยชน์ว่าจุลินทรีย์ตายเพราะอะไรส่องกล้องไปก็เห็นจุดดำๆมันเกิดขึ้นในจุลินทรีย์มีจุดดำๆและในโครงงานในพื้นที่ของโครงงานก็มีจุดดำๆโผล่มามอดูไปดูไปมันมันคือเชื้อราชนิดหนึ่ง พอมีสิ่งนี้สิ่งนี้หายไปพอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ก็เลยปิ้งขึ้นมาเอไอเชื้อราตัวนี้เชื้อทําให้จุลินทรีย์ตายไปโอ้เอาประโยชน์จากมันก็เลยค้นพบยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกเป็นที่สุดใการเอาเชื้อยานที่มาจากเชื้อราเนี่ยละเอามาฆ่า จุลินทรีย์เชื้อโรคในตัวเราจนตั้งอย่างเช่นเวลาป่วยไม่สบายบางคนไม่แพ้เพนดิลซินนะก็ใช้ยาที่อเล็กซานเดอร์เฟลมิงค้นพบเนียมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาความกลัวเหมือนกันถ้ามีปัญญามกลายเป็นความกลัวไอชั่วกลัวบา่าวอมกลายเป็นขอ ง, ของดีไป แต่ถ้ากลัวผีกลัวการเหน็ดเหนื่อยในการทํางานกลัวจนขี้ขาตาขาวกลัวคนกลัวความดีพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกจะทําดีกลัวแต่ถ้ากลัวทําดีแล้วมันมันดีทําไม่ดีแล้วมันมีผลทําให้เราเบียดเบียนตัวเอยงเบียดเบียนผูอื่อน ก็หยิบ ม, มาใช้อย่างถูกต้องถ้ามีสติมันก็จะจัดระเบียบให้เราความง่วงเนี่ยมาใช้ตอนอ่านหนังสือไม่ถูกเอาไม่ใช้ตอนขับรถนี่ไม่ถูกแต่ตอนปฏิบัติถ้ามันมามาให้เราได้ศึกษาถ้าตอนนอนเนี่ยให้มันมาให้มันง่วงลงไปจะได้หลับสบายไปเลยอร่อยตื่นมาก็สดชื่นเอาปรยชนจากมันความคิดก็เหมือนกันมันไม่ใช่ควาไม่ดีความคิดเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์เป็นธรรมชาตินะ แต่ถ้าคิดแล้วไม่รู้หลงเข้าไป น, นี่ไม่ดีเหมือนมีเหวนะเราไปยืนปากเหวดูวสวยนะไม่ใช่เหวไม่ดีสวยมากแต่ถ้าพัดตกลงไป น, นี่ไม่ดีอันตรายตายได้มีคลื่นแรงๆเงี้ยแหลมปมเทพอย่างเงี้ยนะไปดูพระที่ตกสวยที่สุดแหลมปมเทพอะอาเนี้ย น, นาผาสวยเชียยืนดูเห็นวิวทิวทัศน์แต่ถ้าตกลงไปได้ตาย หรือคนกขปีนหน้าผาหน้าผาหน้ากลัวนะแต่เอามาเป็นประโยชน์ปลี่นหน้าผาเป็นกีฬาชนิดนึงมีสติลงไปเพลี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอาประโยชน์มันเป็นเกมชีวิตเนี่เป็นเกมกีฬาขืนลูกใหญ่ๆ ใ, ในสพายเอสพายอกระดานโต้ขึ้นแล้วก็ลุยลงไปถอค้ำพายแหวกไหวลงไปคืนยิ่งใหญ่ขนาดไหน ย, ยิ่งสนุกเนี่ย อันนี้ก็คือเกมกีฬาเอาประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างทำมาคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาจัดระเบียบ ด, ดีๆนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นไหมระเบียบของกายระเบียบของวาจาระเบียบของจิตใจนะเอาประโยชน์จากมันให้หมดนะจนกระทั้งเจอศัตรูเจอเขาดา่านะกลายเป็นประโยชน์นะเจอทุกสิ่งทุกอย่างในชะีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไร เขาจะว่าอะไรก็เรื่องของาไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยเรื่องเราคือรู้อยู่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้มันก็จะพัฒนาไปกลายเป็นจนทำหน้าที่ได้สภาวะที่มันกลมเกลืนมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้เราต้องทําให้เป็นทําเป็นมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดทีเดียวรู้สึกตัวมันก็ต้องให้เวลาตัวเองหน่อยตั้งวันสองวันสามวันสี่วันหวันอย่าไปทําอะไร ความรู้รู้ตัวให้จํานาญเนี้เป้าหมาย ห, หลักเลยเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองกิจวัตรประจําวันต่างๆแล้วก็กลมเกลือนกระชุมชนอยู่ด้วยปัญญาไม่สร้างปัญหาเข้าเมืองตาเหลวเหล ว, หลวตาตามอยู่บ้านท่านปันวัวปั้นวควายให้ลูกท่านเล่นก็กลมเกลือนไปแต่ว่าหลักเลยก็คือให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวเขาไหมตั้งช่วยให้โอกาสตั้งหาโอกาสช่วยโอกาสก็คือช่วยมันตลอดเวลา เดินไปไหนมาไหนก็ปิดตาหายใจนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวก็แหวนนะช่วยโอกาสแต่หาโอกาสนี่ก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นต้องรอเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรอเอาเดี๋ยวนี้เลยเรียกว่าช่วยโอกาสในทุกๆ ก, กิจกรรมในรูปแบบนี้ผู้ใหม่ก็ต้องทังเกตนะการเดินอยองกลมนะเราจะต้องวางท่าวางทางยังไง สังเกตบางคนเนี่ยเดินช้ามากเนะเดินช้าย่องย่องย่องก็ไม่เป็นไรยังไม่บอกแล้ให้ประสบการณ์สอนตนพระบางทีก็มีเดินช้าย่องย่องย่องนะไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเดินย่องย่องนะผลปิยาข้างเคียงนะทีมแสดงออกมานำเป็นยังไงก็ลองสังเกตดูเป็นสบายไ ม, ม่สนุกไหมลวดเราเดินธรรมดาธรรมชาติที่มันเคยเดินไปแให้มาไหนนะ เดินแบบธรรมดาๆน้ำเป็นยังไงมันเบารีมั้ยหรือว่าเดินเร็วๆไปเลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันดีไหมเวลาง่วงเดินช้าๆหรือเดินเร็วๆมถึงจะหายง่วงเดินเบาๆหรือเดินแรงๆเราสังเกตเอาเองลวกันตรงนี้เรามันจะเกิดประสบการณ์ตรงของไกาของเรากันหลังจากที่มันเดินจงกลมมันง่วงลองแก้งเดินออกมานิดหนึงลองหลอกวันไหนเดินออกมานอกฐานแ้วนะมันจะหายทันที นะเดินกลับกดเดินไปห้องน้ำหรือว่านะเดินไปเปลี่ยนที่นะปฏิบัติห้สังเกตหรือว่าเดินไปเดินมาในทางเดินจงกรมลองเดินรอบวัดเดินเล่นชมนกชมไม้เนี่ยเป็นยังไงเราจะเห็นแล้วไงจิตของเรานี่มันแค่หลอกนิดเดียวมันก็หลุดแล้วจากอารมณ์ต่างๆที่มากีดมาขวางที่ภาษาธรรมะเรียกวนนี้วัลธรรมะนะ ความง่วเงาห า, หานอนอะไรพวกนั้นผูิใหม่ได้เจอแน่สังเกตอาการทั่วการที่มันเกิดขึ้นมามันคือการเดินทางทุกคนจะได้พบได้เห็ น, นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นสัจจะความจริงที่มีแล้วในตัวเราทุกคนแต่การจัดระเบียบจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินถึงเวลาขับถ่ายขับถ่ายเฉพาะเฉพาะเรื่องไปเวลาอย่านังสือก็อนังสืออย่างนี้นเวลาจะฟังก็ฟัง มันก็เป็นลักษณะของสมาธินะแหละเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเราก็ฝึกสมาธิที่เกิดจากการเคลื่อนกันไหวเฉพาะเรื่องเหมือนกันจิตตั้งมั่นอันนี้เวลาเดินก็ให้ใช้ขาเดินเวลายกมือใช้มือยกอย่าไปให้ความคิดพายกหนักทั้งหมดเวลาเดินก็คิดไปอ่ะหนักหัวเวลายกมือคิดไปกั็หนักหัวแต่ถ้าหนักเนี่ยหลงปูเทียนเคยพูดเอาไว้อ่ะนะหลงปูเทียนอันนี้จำมาจริงจริงว่า ให้มองไปไกลๆแต่เวลามันเพ่งเข้าในนะมันจะแน่นแน่นหน้าอกปนใจกรรมนี้นมันรู้สึกมึนหัวอย่างเงี้ยไกลมองไปไกลๆโ ย, ยนจิตโยนใจออกไปก่อนไปรู้ทังตาทั้งหูนก่อนจะรู้สึกผ่อนคลายเสร็จะแล้วค่อยว่ากันใหม่เอากลับมาใหม่อย่างเงี้ยเรียกว่าปรับปรับสมดุลปรับสมดุลจนเจอความพอดีนะ มันจะเจอเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันแต่ว่าให้เราสังเกตรู้จักที่จะเล่นกับตัวองแก้ลมตัวเองให้เป็นด้วยตรงนี้นะแต่ถ้าแก้ไม่เป็นมีอุบาอาจารย์มากมายแล้วก็สนทนาพูดคุยสนทนาทำตามการเป็นมงคลมันจะเดินทางสะดวกเขาเรียกว่าบรรยากาศของครูบาอาจารย์กาลยามิตรนกาลยามิตรเป็นทั้งหมดของประวัติศาสตร์ก็ให้มีกันไว้เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดคือให้มีนะ ตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้ก่อนกาลยามิตรก็คือตัวเองกับตัวเองนะมันจะเกิดกาลยานธรรมกันมาได้ไวเรียกว่ากูพาลักจำและเรียกว่าเรียนถูกเรียนผิดในตัวตัวเองแะเรียกว่าอะไรมากมายแล้วกันการที่ตัวเองพึ่งตัวเองได้นะันก็สุดยอดมึงก็องค์สมเด็จสัมมาวิชญ์เจ้านะเท่าที่เราเคยศึกษาได้ยินได้ฟังมาจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะ แต่ว่าท่านก็พยายามที่จะค้นหาด้วยตัวงตัวเองเดิมทีมีครูบาอาจารย์สอนอยู่อารามกระดาบทหรทกดาบทสอนให้เข้าสมาบัตเ7สมาบัตแ8ดอย่างเงี้ยท้ายสุดครูอาจารย์บอกเรียนจบแล้วให้ช่วยกันสอนทีนึงแต่ท่านก็มีความสุขยังทุกข์อยู่มันไม่ใช่มันยังมีความสงสัยลังเลในเรื่องของกาของใจยังคิดถึงพิมพาราหุนคิดถึงการเป็นกษัตริย์ปราสาทสามฤดูพวกนี้ นะต่อมาก็เลยออกแสวงหาใหม่หลังจากที่นะเห็นนิมิตของพินสามสายนะคืออาจารย์กำลังสอนโลกสิทธินะ์เล่นหนึ่งปรีอยูนะ่ถ้าสายตึงไปมันจะขาดอย่างนี้นะถายหย่อนไปมันจะดังไม่เพราะนะเพราะนั้นความพอดีอยู่ตรงไหนแล้วนะมันเพราะดีนะพินสามสายนะพอได้ยินได้ฟังแล้วก็สะดุดหูเฮ้ ไอ้ที่เราทำมันอัตอตาหอมัายโยตอนที่เราไม่ได้มาค้นหาแสวงหาโมกธรรมมันเป็นการ ม, มาสุขาริกายโยกอยู่กับนางสนมกันในนับพันอยู่กับปราสาทอยู่กับความสะดวกความสบายอยู่กับอวามนาจกามกินเกียรติแต่พอเรามาฝึกเราก็นอนเสี้ยนนอนน้ำอดข้าวอดน้ำจนภัายพอ้ป็อย่าง้ทำตัวเองให้ทุกข์ พอไเห็นตรงนั้นปั๊บได้ยินเรื่องพินสามสายพ้าก็ปิ้งขึ้นไปก็กระเซิงกระเซิงไปอาบน้ำที่เนรรันชะลาจันเข้าของนางสุชาดาบันฑ์เป็นเดือนหกขึ้นสือห้าข้ามยามสามเปรกาเป็นวันพุธในอีม่กี่วันก็จะถึงล้วลายปลายเดือนเนี้ยขณะนี้ก็เชื่อว่ากำลังกระเซิกกระเซิงแล้วนะบําเป็นทุกข์กิริยา กำลังทุอย่างสาหัสนี่นเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วเราก็น้อมมาเลยไม่ต้องไปเรียนถูกเรียนผิดใหม่ไม่ต้องไปค้นคิดค้นหาอะไรกระโดดใส่ลงไปเลยโดการฝึกการหัดกรรมฐานโดยพระมา ท, ที่นี่เราเอกลักษณ์อัตลักษณ์ชัดๆตรงๆแนวเกินไหวสิบสี่จังหวะเดินจงกรมอันนี้สงการเดินจงกรมนี่ก็มีสูงมากจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือว่าลองทาดูแล้วมันจริง ทำให้เราเดินไปไหนมาไหนนะฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติได้ตลอดเวลาเลยหรือว่าการเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวมือนะมันก็อันเดียวกันเดินยงกลมมือกับขาเดินนะอันเดียวกันท่าลมมันดันนะไฮดรอลิกนะมันดันลมบันดันเลือดดันเนื้อเอ็นกระโดดก็เคลื่อนไหวได้มันไฮดรอลิกขามันก็ถูกดันมือมันก็ถูกดันเหมือนกันมันก็เป็นท่าลมอ่มันก็ลมหายใจ ลมหายใจเข้าลมหายใ จ, ยใจออกกันเดียวกันนั่นแหละก็จึงไม่ต้องมาสงสัยมันถูกมันผิดทําไมไมันต้องทำอย่างนี้จริงก็คิดดีแล้วเราก็ตกกระไดพากจอลงไปเตามน้าลงไปเล ย, ม, ลเลยมันก็ง่ายๆเลยให้ทําก็ทำแล้วเดี๋ยวท้ายสุดก็ได้คําตอบมันเหมือนกันเมื่อมันเจอความเป็นปกติหรือว่าเขารองเข้ารอยก็มันมันถล้ำไหลลึกลงไปแล้วก็มีความเป็นปกติเกิดขึ้นมาแะมันก็จะแจมแจ้งขึ้นมา ก็กลายเป็นเรื่องของใคของเรากันที่จะต้องสัมผัสทํากันเอาเองแต่ว่าเริ่มต้นกันให้ถูกทางก็แล้วกันกลับมาเริ่มต้นให้ถูกก็คือเคลื่อนใบรู้สึกตัวเนั่นแต่ใหม่ๆมันอาจจะผิดก็ไม่เป็นไรนะเประโยชน์จาความผิดนะนะเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกะหรือว่าเปลี่ยนความหลงในะที่มันหลงชอบคิดไปกลายเป็นรู้มันจนกลับมารู้สึกตัวได้ใหม่นไม่ต้องไปหาว่าเออมันคิดทําไมทําไมน้องคิดไม่ทำไปหากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเลย แล้วก็ไปออกไปหาทำมาตรงไหนมาที่สุขโตนี่ยอยู่ไปวันวันนึงแล้วไม่หวังว่าจะได้อะไรชุมชนทำอะไรก็ทําตามๆกันไปให้ทําอะไรก็ทําตามตามกันไปแนวเคลื่อนไหวนะตรงนี้มันสะดวกทําให้เราเหมือนกับว่าง่ายขึ้นอะไรที่มันยุ่งยากแล้วก็เอาไว้ก่อนเลยเพราะความคิดหังเลสงสัยวันนี้เอาไว้ก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวศรัทธาความเชื่อตรงนั้มีลงไป อันนั้นก็พูดให้ฟังวันนี้เดี๋ยวเราก็หลังจากกราบพระไปทําภารกิจของใครของเรากันพระก็ไปวินาบาทจะโจมก็ทําภารกิจของตนของตนช่วยเหลือกิจการงานวัดอะไรช่วยได้ก็ช่วยส่วนนึงกาเจะกว่าเจาลานี้มันก็ได้นะมีปีกมเมงมเมามีแมลงมีฝนร้องอะไรต่างๆใบไม้ก็แล้วก็อยู่ช่วยกันฝาดเจ็ดถวยสาสานอย่างนนะก็หา อ, อะไรทํากัน ถ้าไม่ได้ทําจิตตะภาวนาก็ลดฐานมันนี่ก็ทําดีให้ถึงพร้อมตรงเนี้ยนะการทําดีถึงพร้อมก็ล้างห้องน้ําขวายาพวกนี้มันเป็นบุญไนดะ้ใจเราจะมีความสุขที่เกิดจากการให้แรงกายแรงใจไม่ต้องถึงก็ให้กําลังทรับหรอกนะตรงเนี้ยนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในวัศาสนานั่นแหละละช่วยทำดีชําระจิตมันก็รวมลงแล้วในกิจวัตรประจําวันรวมทั้งภาวนาก็เหมือนกัน มีสติกำหนดรู้กับการทำงานทำการต่อไปทั้งวันหลังจากนั้นเรารับทานอาหารแล้วก็แยกแย้ายกันปฏิบัติต่ออย่างเง้นะอะไร่าสมควรกับเวลาเดี๋ยวเรากลาบพัะพร้อมกัน